เชาวนี้เราได้สวดสวดสรุปเกี่ยวกับไออริยรสัตว์สวดอริยสัตว์ในส่วนที่สรุปที่เป็นภาคปริยัตภาคปริยัตก็เป็นธรรมานุปัสสนาในะช่วงวันสุดท้ายนะนืนในส่วนของภาคปฏิบัตนะิก็จะสรุปเป็นภาษาภาคปฏิบัติเป็นภาษา ที่เป็นวิธีการโคเทียนที่เราสวดไปมิกิหมายาว่าหลักปริยัตทั้งหมดในเรื่องของอริยสัจนะท่านะได้กล่าวแล้วว่าอริยสัจนั้นถ้าสรุปลงแล้วก็เลยสองคือรูปกับนามถ้าเราดูรูปดูนามเป็นก็ดูอริยสัจเห็นทั้งหมดและที่นี้ถ้าดูรูปดูนามก็ยังยังไม่เป็นก็ให้บอกให้มาดูเวทนาถ้าดูเวทนาเป็นก็หมายความว่า ดูรูปดูนาเป็นที่ถ้าแยกเวทนากัแบบสติเป็นก็หมายความว่าเข้าใจลูกเข้าใจนาเห็นรูปเห็นนาอันนี้คือหลักง่ายงก็อริยสัจทั้งหมดน่ะโดยที่ไม่ต้องไปเทียบว่าอะไรเป็นอะไรนะในการปริยัติเนี่ยเส ม, มือนเดี ว, ว่าถ้าเป็นอาหารก็คืออินกิเดียนคือเครื่องแกงแต่ละอย่างขิงข่างาตะไคร หรือว่าพริกเ ข, ขือเกลือปลาอะไรที่เข้าไปหลาหละอยา่างภาค่ริภาคปฏิบัติก็คือนำเอาเครื่องแกงแล้วเนี้ยมาบดมาตำแล้วก็มาต้มแกงภาคปฏิเวทก็คือเราบริโภคแล้วได้รับรสอร่อยหรือไม่อร่อยแล้วเราแต่ลาจะปรุงนะอันนี้ปริยัติปฏิบัติปฏิเวทลักษณะนั้นปริยัต คือหาเครื่องแกงแต่ระอย่างมาเป็นวัตถุดิบ ป, ปฏิบัติก็นำมาคลุกมาต้มมาแกงปฏิเวทก็คือการบริโภคให้ได้รับความอิ่มน้ำสำาานสัมพันธ์กันอย่างนั้นให้มองภาพเป็นเป็นรูปธรรมอย่างนั้นก่อนแล้วมันจะง่ายทีนี้เดวมาดูในาภาพปฏิบัติที่เป็นอารมณ์วิธีการของข้เทียนอ่ะ ว่าเบื้องต้นนี้ทำไมท่านจึงเน้นอารมณ์รูปนามเสมือนนึงว่าในวิธีการกวัฏเพียงเริ่มต้นให้ศึกษาเรื่องอริยสัจเลยนะเข้าสู่ตัวอริยสัจโดยตรงเลยโดยไม่ต้องผ่านเรื่องศีลเรื่องสมาธิอะไรมากตัวอริยสัจคือตัวปัญญาไปเลยทีนี้ถ้าหากว่าเราไม่รู้โครงสร้างกว้างๆางนี้เราก็จะลังเลสงสัย ไอ้มันถูกมันใช่หรือเปล่ามันตรงหรือเปล่าอะไรเนี่ยมันก็จะสงสัยแต่พอเห็นโครงสร้างกว้างๆอย่างที่นําเสนอเนี่ยเราก็มั่นใจว่าอันเนี้ยเข้าสู่ตัวหลักอริยสัจคือตัวรูปนามเลยทีเดียวและตัวรูปนามนี่เราก็มาดูตัวพยายามตามรู้กายเวทนาจิตธรรมและกายเวทนาจิตธรรมนี่ก็เลี้ยวล้วก็เลยรูปนามเหมือนกัน กายกับเวทนาเป็นรูปจิตกับธรรมารุมเป็นนามพอดูรูปดูนามก็เห็นอริยสัจสและเห็นสติปัฏฐานสี่ไปในตัวเสร็จเลยแต่ที่นี้เราจะเห็นอริยสัจสี่หรือเห็นสติปัฏฐานสี่ชัดหรือไม่ชัดก็คือว่าเราสามารถเห็นเวทนากับตัวรู้สึกตัวเนี่ยออกจากกันชัดหรือไม่ ตรงนี้คือความที่เราจะต้องทําถ้าดับได้มันยังปนกันไปปนกันมาอยู่เรื่องรูกน้มก็ยังไม่ชัดเรื่องอายะศัพท์สีก็ยังไม่ชัดเรื่องสติปัฏฐานสีก็ยังไม่ชัดต่อเมื่อใดเราเห็นเวทนาไม่ว่าสุขทุกข์หรือเฉยเฉก็คือเป็นเพียงเวทนาไม่ใช่เราและเห็นตัวรู้สึกตัวทั่วพร้อมชัดเจนว่าคือความรู้สึกตัวทั่วพร้อมก็คือจิตคือความไม่ทุกข์ล้วน ไม่เป็นอะไรทั้งนั้นนะไม่เป็นเราเป็นเขามันเป็นเพียงแต่ลึกลงไปนั้นก็ได้เห็นสมมุติปรมัตดเป็นตัวเสร็จคือในรูปเป็นตัวสมุตินามเป็นตัวปรมัดนะเห็นไหมถ้าเราเริ่มต้นถูกเนี่ยมันเรื่องภาษาเรื่องคําพูดก็เพียนไปเพี้ยนตราบอกเป็นป้ายบอกเท่านั้นเองตัวสาระมีนิดเดียวเหมือนเราแกงหม้อใหญ่เนี่ย ไอ้ส่วนที่เรากินเนี่ยแค่นิดเดียวคือจานหนึ่งเท่านั้นที่อิ่มหนึ่งเท่านั้นแต่เราตั้งใจปรุงจะเยอะแยะมากมายก็เพื่อคนอื่นเท่านั้นเองนั้นหมายความว่าเราปฏิบัติของเราให้ได้เข้าใจดับทุกตัวเองได้ประสบการณ์ที่เหลือนั้นช่วยเหลือผู้อื่นบอกคนอื่นสอนคนอื่นก็จะทำให้เราได้ปฏิบัติในส่วนที่เป็นการุณาบาเพ็ญเมตตาการุณาต่อไป ในส่วนเรานะั้นไม่ทุกแล้วอันนี้คือหลักกว้างๆทีนี้ก็มาทบทวนดูอีกทีหนึ่งว่าในรูปนามอของเราเนี่ยแจ่มชัดไหมเข้าใจแจ่มชัดไหมเราจะรู้ได้ไงว่าเรารู้รูปรู้นามเราก็ไปดูว่าเราเห็นเวทนากับความรู้สึกตัวชัดหรือไม่ชัดตามลงไปตรงนั้นเมื่อเห็นความรู้สึกตัวกับเวทนาชัดแล้วสามารถ เห็นได้ตลอดไหมเห็นได้กี่เปอร์เซนต์เห็นที่มันแยกกันอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตัวสติสมาธิปัญญาจึิงเข้ามาเป็นบทบาทสำคัญบทบาทสำคัญอย่างไรเมื่ออายตนะทั้งหกกระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจสติปัญญามาทันไหมถ้าสติปัญญามาไม่ทันเราก็เห็นรูปเป็นเรา ไม่ใช่เห็นรูปเป็นรูปแล้วเห็นนามเป็นเราไม่ใช่เห็นนามเป็นนามถ้าเห็นนามเป็นเราก็มาเห็นนามมารูปเห็นรูปเป็นเราก็ไปเห็นอัตตาตัวตนไปเห็นสมมุติมันก็จะสับสนตรงนั้นเพราะฉะนั้นบทบาทสําคัญที่สุดก็คือเราจะต้องประคองสติสัมยาให้มั่นคงที่สุดในแต่ละขณะเมื่อสติสัมยะไม่มั่นคงนั่นแหละมันถึงจะเกิดการ ปนเปสับสนขึ้นเพราะเห็นรูปเป็นเราเพราะเห็นรูปเป็นเราปั๊บก็เห็นรูปเนี่ยเห็นเราเห็นรูปเนี่ยเป็นอัตตาเป็นตัวตนเป็นเราเป็นเขาเป็นกูเป็นมึงนะขึ้นมาทันทีเมื่อขึ้นมาทันทีเวลากรรมก็เกิดวิชาตันหาพรานกรรมก็แทรกตรงนั้นคือหมายความว่าเห็นรูปเป็นเรานั้นหมายความวิชาดันหาประานกรรมมันปฏิบัติการแล้วหมายความว่าตัวสติสัมยามาไม่ทัน โดยสัญชตาตญาณแล้วเราก็จะสันนิษฐานหมายตัวเราตัวรูปนี้เป็นเราโดยอนุมัติเลยนะซึ่งกล่าวหลายๆครั้งว่าเมื่อในสลานี้กลางคืน ม, มืดนะพอเปิดแสงสว่างขึ้นความมืดหายไปทันทีพอแสงสว่างดับความมืดก็เข้ามาทันทีเหมือนกันเพราะนั้นทั้งแสงสว่างและความมืดอยู่ในที่เดียวกัน ทั้งตัวสมมุติและประมาจิตอยู่ในที่เดียวกันทั้งตัวหลงและตัวรู้อยู่ในที่เดียวกั น, ต แ, ต น, กนแต่ตัวแปรที่สําคัญคือมีแสงสว่างหรือไม่มีเท่า น, น, นะนั้นเองนะดังนั้นเองหน้าที่ของเราก็คือจะจุดแสงสว่างของสติสัมปชัญญะให้ให้ทันเสม อ, อเมื่อมีการมากระทบเกิดขึ้นนะ แต่ว่าในเมื่อไม่มีการกระทบเราก็ต้องสแตนบายแสงสว่างเอาไว้ไม่ใช่ว่าพอความมืดมาก่อนค่อยวิ่งหาสวิตหาแสงสว่างไม่ทันแล้วไม่รู้วสวิตอยู่ตรงไห น, นไฟอยู่ดวงไห น, นเราจะต้องเตรียมไฟเตรียมสวิตเตรียมไฟฉายไว้ในมือเสมอเมือ่อความมืดปรากฏปับ๊บก็แสงสว่างพร้อมจะดีดขึ้นทันทีนะเหมือนกับออโต้ไฟออโต้นะเมือ่อแสงสว่างมันเฟดลงอ่า เมื่อความมืดอากาศภายนอกแสงพืิบดินเฟดลงพร้อมที่เขาสู่ราตรีการไฟที่เขาจุดไว้เป็นอัตโนมัติก็จะดิ่งทันทีนะฉันใดก็ดีเมื่อเราฝึกฝนปฏิบัติตลอดเวลานั้นหมายความว่าเราเตรียมความพร้อมของสติสัมปชัญญะจนกระทั่งว่าสติสัมปชัญญะเนี่ยมันได้กลายเป็นประมัดเหมือนกับไฟ เมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราค่า ม, มืดเราถึงจะไปวิ่งหาสวิตช์อยู่ตรงไหนไปเปิดก็เาเลยใช้แมนุ่นใช้มือในการปิดเปิ ด, ปดแต่บอกว่าโอ้บางครั้งเราไม่มีเวล า, าพอเราตั้งไฟในบ้านเป็นออตโต้หมดเลยว่าเมื่อแสงสว่างลดลงระดับนี้เข้าสู่มืดระดับนี้ปับ๊บก็ให้ตั้งเซนเซอร์ของ ไฟฟ้าดีดปับ๊บสว่างทั้งบ้านเลยโดยที่ไม่ต้องไปวิ่งหานะโดยที่ไม่ต้องไปวิ่งหาสวิตละ่ะอันนี้ก็มีในสมัยใหม่แต่นั้นในแง่ของปรมัตดก็เช่นเดียวกันถ้าหากว่าเราจะมาคอยกำหนดความรู้สึกตัวเมื่อรับการกระทบเนี่ยบางทีมันไม่ทันเขาเรียกว่าระบบสมรรถระบบเมนูคือระบบสมรรถระบบออตโต้คือระบบพิปัสนานะสมัยใหม่ก็เป็นอย่างนั้น แต่เรามาเรียกระบบออโต้ที่เป็นวิปัสนาว่าอารมณ์ประมัดดัง น, น, นั้นเรารู้ใจอารมณ์รูปนามอย่างเดียวนั้นไม่พอเนี่ยเป็นแมนนอยู่คือหมายความว่าเมื่อเกิดปัญหาแล้วเราถึงตามแก้บางอย่างปัญหาใหญ่เราแก้ไม่ทันปัญหามันเยอะก็แก้ไม่ทันเพราะฉนั้นปลอดภัยที่สุดคือตั้งระบบออโต้คือปฏิบัติให้ถึงประมัดไปเลยนะเมื่อบาิบัติให้ถึงปรมัตดหมายความว่ามีปัญหาอะไรขึ้นปั๊บมันรู้สึกตัวของมันเอง ส่วนเราจะแก้ได้แค่ไหนเพียงไรหนึ่งขึ้นอยู่ระดับประมัดของเราเข้มข้นแค่ไหนพระโสะดาบันมีระบบประมัดอยู่สิบยี่สิบห้าเปร์เซนตพระสะกิทาคามีระบบอัรมัดห้าสิบเปอร์เซนตพระนาคามีระบบประมัดถึงแปดสิบเปอร์เซนตพระอรหันต์ระบบประมัดร้อยเปอร์ซนเลยทีนี้เราอยู่ในระดับไหนอันนั้นเขาไปปรับไปเองอันนี้คือโครงสร้างนะ ดังนั้นเองหน้าที่ในวิธีการของพอทุทเถีเนี่ยแทบจะกล่าวได้ว่าเมื่อเข้าใจหลักอันนี้ปั๊บเนี่ยไม่ต้องไปคิดอะไรเลยไม่ต้องไปเทียบหลักอะไรเลยมันสมบูรณ์พร้อมที่หลวงพ่อเถียนกลา้าบอกว่ามันเป็นสูตรสาเร็จมันเป็นสูตรสาเร็จแล้วกล้าท้าทายว่าคุณปฏิบัติไปตามเนี่ยมันไม่พลาดอ่าแต่ทําไมเราจึงลังเลสงสัยอยู่ก็เพราะว่าเรายังเห็นลูกนามยังไม่ชัดนะ พอเห็นลูกนมำยังไม่ชัดก็ยังมีการเผลออยู่พอไปสู่อารมณ์ปรมาทมันก็ยิ่งสับสนใหญ่มันก็วนไปเวียนมาอยู่เนี่ยมันก็เกิดอาต้องใช้เวลาวนไปเวียนมาไม่จบสักทีหลักสูตรอันนี้นะ่ังนั้นเองก็ อ, อยากจะใหะ้พวกเราทั้งหลายซึ่งมาปฏิบัติเนี่ยไม่ไม่ต้องเสียเวลาแต่เราจะทำให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดแค่ไหน ขึ้นอยู่ศรัทธาและความเพียรของเราศรัทธาและความเพียรนั่นแหละเป็นวาสนาบรารมีพระมากได้เคยกล่าวหลายครั้งว่าสมัยหนึ่ ง, งพ่อกรมเนี่ยเข้ามาปฏิบัติในวิธีการพัวเทียนกับหลวงพ่อเจรันปฏิบัติมาปีฝ่าแล้วเนี่ยก็ยังไม่หายลังเลสงสัยอ่าพอท่านมาบวชตอนแก่ทิ้งบ้านทิ้งช่องทิ้งทรัพย์สมบัติทิ้งลูกทิ้งเมียมาบวช กล่าวว่าถ้าบทปฏิบัติแล้วได้ผลดีก็ปฏิบัติอยู่เป็นพาร์ตต่อไปถ้าไม่ได้ผลก็จะสึกออกไปอยู่กับครอบครัวเหมือนเดิมนี่พอท่านออกมาปฏิบัติได้ปีหนึ่งก็รู้สึกเอ๊ะทำยังไงมันก็ไม่ก้าวหน้าได้แค่นี้แต่แต่ปีติได้แต่สุขแต่ว่ามันไม่เห็นแจ่มแจ้งไม่หายสงสัยอะไรก็วันหนึ่งก็เข้าไปหาหลวงพ่อเทียนกล่าวว่าจะไปกราบลาท่านจะไปสึกนั่นแหละบอกหลวงพ่อผมคงว่าฒนบารมีคงมีแค่เนี้ นี่ทำมาเป็นปีฝ่าแล้วนะมันก็ยังได้แค่เนี้ยผมคงไม่มีวัฒนาบารมีที่จะไปไกลกว่านี้หลงพ่อเทียนเลยย้อนถามว่าหลวงพ่อกมวัสนาบาลมีคืออะไรหลวงพ่อกมก็บอกว่าสม า, ารมีบาลมีก็คือสิ่งที่เราเคยสังสมมาก่อนชาติก่อนปีก่อนเดือนก่อนนู้นน่ะแต่ผมไม่ได้ทําเอาไว้หลงพ่อเทียนบอกไม่ใช่หลวงพ่อกมวัฒนาบารมีคือความขยันนั่นแหละ เมื่อไหร่ยังขยันทําอยู่เมื่อนั้นน่บะบาสนาบารมีมันมีอยู่แล้วแต่ถ้ามันมีน้อยไปก็เพิ่มความขยันให้มากขึ้นถ้ารู้ว่าบา ร, รมีมันน้อยก็เพิ่มบา ร, รมีมากขึ้นอถ้าว่าบา ร, รมีไม่มีก็ทําซะแต่วันนี้ว่า ง, งันลองไปขยันทําดูยังขยันอยู่ไหมทุกวันก็ยังสนุกอยู่ทํามเปลี่ยนเออแน่นแนะบาสนาบารมียังมีอยู่ลองไปทําดูท่านก็เลยไปทําท่านบอกว่าท่านไปเก็บอารมณ์ได้สิบสี่วันวันที่สิบสี่นี่โป๊ะเลย หลังจากท่านมาท่านก็อยู่มาอันนี้อายุ80กว่า85 86แล้วท่านบวชอายุ50ป่าเกือบจะ60นะเห็นไหมเพราะฉะนั้นความหมายเขาว่าวาสนาบา ร, รมีก็คือถ้ายังสนุกในความเพียรอยู่ไม่ต้องคิดว่าไอ้ผลมันจะได้ออกมาแบบไหนอย่างเพียรยังสนุกอยู่นะ่ะวาสนาบา ร, รมีก็ยังมีอยู่เมื่อไหรมันหมดความเพียรหมดศรัทธาแล้วหมดวาสนาละนั่นนะคุณจะสร้างมาหรือไม่สร้างมาก็ตามมันบอกตรงนั้นเราคุณหมดละ คุณไม่มีความเพียรไม่ไขยันไม่มีศรัทธาไม่อยากทําเลยอันนี้แหละแต่ทีนี้ตัวนี้เราจะแก้ไขอย่างไรก็เมื่อไปพบกัยะนามิตรนะพบกัยนามิตรท่านก็จะบอกประตูอีกทางหนึ่งให้ตอนนั้นจุดนี้ในเบื้องต้นก็จึงอยากจะให้เห็นความสําคัญของศรัทธาและความเพียรเพราะตัวศรัทธาและความเพียรเนี่ย เป็นตัววาสนาบารมีแต่บางคนโอ้มาปฏิบัติวิธีการของพ่เทียนรู้สึกมันไม่ก้าวหน้าก้าวหลังอยากจะเปลี่ยนไปปฏิบัติวิธีอื่นบ้างอันเนี้ยมักจะคิดกันแบบเนี้ยที่ที่เปลี่ยนทางกันนะนะบางคนเปลี่ยนไปแล้วหลายปีเอากลับมาวิธีการของพ่เทีย น, นเดิมเดิมไปแล้วอย่างอื่นสู้วิธีการนี้ไม่ได้มันก็เสียเวลาไปก็ถ้าหากว่าตั้งใจอดทนสู้ไปอีกสักหน่อยแสวงหาทิศหาทางอีกหน่อยเดี๋ยวก็ผ่านจุดนี้ไปนะดังนั้น ตัวศรัทธาและความเพียรจึงเป็นพื้นฐานที่สําคัญเพราะในบาลีนั้นท่านบอกว่าวิริเยนะทุกขมัจเจติคนที่จะพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรพอมาถึงจุดนี้ท่านใช้ความเพียรเป็นตัวพ้นทุกข์นะท่านไม่ได้บอกว่าปัญญายะทุกขมัจเจติสติมาทุกขมัจเจติท่านไม่ได้บอกว่าศรัทธาสมาธิสติสมา ธ, มาธิปัญญาศีล อุเปขาเมตตาอะไรท่านไม่ได้บอกว่าอันนั้นเป็นทางพ้นทุกข์นะท่านใชยวิริเ ย, ยนะทุกขมะจติติคนจะพ้นทุกข์ร่วมทุกข์ได้ด้วยความเพียรเห็นไหมถึงที่สุดแล้วท่านเอาความเพียรมาเป็นตัวตัดสินว่าเราจะพ้นทุกข์หรือไม่พ้นทุกข์ใช่ไหมทา่ทานทั้งนี้คุณธรรมตัวอื่นนี่สําคัญตั้งเยอะแยะท่านทําทไมเอามาแต่ถ้าเอาความเพียรมาเป็นหลักในการที่จะพ้นทุกข์หรือไม่พ้นนะ่ะแต่ถ้าคุณอยากจะจิตบริสุทธิ์แล้วต้องใช้ปัญญาปัญญายาบริสุทธิชติ คนจิตของเราจะบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาแต่จะพ้นทุกข์ได้ด้วยความเพียร น, นะฮะฉะนั้นเองในหลักเบื้องต้นที่เราสวดมามีเกี้หลักของอริยสัจอริยสัจสนะี่นะที่หลักของอริยสัจสีเราก็มาดูโครงสร้างหลักๆนั่นหมายความที่กล่าวไปเบื้องต้นคือกล่าวสรุปโครงสร้างให้เห็นโครงสร้างทั้งหมดเพื่อที่จะไม่ให้สับสนเมื่อจะมานําเอาหลักปริยัตมาตั้งเป็นหลักแล้วเทียบใส่ หลักของพอเทียนนะนนหลักปริยตาที่ได้สวดไม่คี่ก็คือว่าสัมมามากมีองแปดมีแล้วบ้างว่าสัมมาทิฏฐิ่แล้ในสัมมาสิปฐีเนี่ยก็มี definition หรือมีนิยามเขาอยู่สี่คำว่าหนึ่งรู้รู้จักทุกทุกเขียญาณังให้มีความรู้ทุกเป็นสิ่งที่ต้องรู้ต้องศึกษาต้องเข้าใจต้องอเห็นให้ชัด นี่หน้าที่ที่หนึ่งนะในในสมรรทิฏฐินะหมายความว่าเรามีทุกไม่ว่ากายไม่ว่าใจไม่ว่าทุกข์ก็ไปได้ทั้งกายทั้งจิตเข้าไปรู้เข้าไปดูเ ข, ข้าไปศึกษาไปทําความเข้าใจวิเคราะห์วิจัยให้เห็นชัดๆัดแต่ส่วนใหญ่พอเราถูกทุกกระทบปั๊บเราเป็นยังไงเรากลัวเราหนีเราหลบเราเลี่ยงเราเปลี่ยนเราสลัดโดยที่ยังไม่ทันที่เจรณ า, นาไม่ทันศึกษาเลยใช่ไหมนี่อันนี้คือเราผิดหน้าที่สมรรถทิฏฐิไหม ผิดแล้วในข้อที่หนึ่งเนี่ยที่มันพลาดอ่ะเพราะฉะนั้นพอทุกไม่ว่าทุกแข่งทุกขาทุกปวดทุกเมื่อยทุกอะไเราเห็นว่าทุกข์เนี่ยมันไม่ใช่เราทุกก็คือทุกขหน้าที่ของเราคือเข้าไปดูดูเพื่ออะไรเพื่อเห็นชัดชัดเพื่อเห็นชัดแล้วต้องหน้าที่อันที่สองรู้เหตุของมันว่าเออปวดขามันมาได้อย่างไรนะปวดขามันมาได้อย่างไรไอความปวดเนี่ยที่มันจับพี่ขาของเรามันมาได้อย่างไร ก็ขยับไปขยับมาเอาความปวดมันหายไปเนี่ยมันหายไปได้อย่างไรถ้าเรานั่งแช่อยู่มันก็ปวดอยู่งั้นใช่ไหมนั่นก็แสดงว่าเราไม่ได้ค้นหามันเราแช่พอค้นหามันเอ้าความปวดเมื่อกี้หนักหนัม่อี้มันหายไปแสดงว่าความปวดมีจริงไหมไม่มีความปวดเกิดขึ้นเพราะมีเหตุปัจจัยให้เกิดเหตุปัจจัยมันคืออะไรที่มันปวดตรงนั้นน่ะเพราะเราไปกดไปทับไปบีบไปคั้นไป บล็อกมันใช่ไหมบล็อกเลือดลมเนี่ยเหตุปัจจัยก็คือการหมุนเวียนของเลือดลมเป็นหลักของอะไรใจรักใช่ไหมคืออันนี้จังทุกขังอากาศเลือนลมหมุนเวียนตลอดเวลาแต่เมื่อเรานหน้าเราน้ําหนักทั้งหลายสิบกิโลเนี่ยเปบล็อกมันไวมันก็เกิดที่จะวิ่งผ่านตรงตรงทางของเขาแต่เราไม่ให้ผ่านเราบล็อกเอาไว้ก็เกิดการต้านขึ้นมาลักษณะาการกือเกิดการอาการไม่สบาย ทุกเกิดตรงนั้นเหตุปัจจัยเกิดตรงนั้นเพราะฉะนั้นเหตุปัจจัยก็เกิดทางเหตุปัจจัยที่เกิดทางรูปก็คืออนิจจังทุกขังหน้าตาอ่ารู้แล้วว่าเหตุปัจจัยที่เกิดความทุกขเวทนาก็คืออนิจจังทุกขังหน้าตาแต่ใ น, นเมื่อเราไม่รู้เท่าทันหรือไม่ใส่ใจในการที่จะแก้นั่งแช่อยู่ตรงนั้นมันก็เกิดบีบคัน้นไอความทุกขเวทนาบีบคั้นถึงจิตใช่ไหมจิตก็เกิดอะไรอยากจะ หนีอยากจะเลิกอยากจะลุกใช่ไหมแล้วก็อยากจะไปไม่อยากอยู่ไม่อยากฟังไม่อยากศึกษาแล้วมันการหาเกิดขึ้นแล้วใช่อยากที่จะหนีอยากที่จะหลบอยากที่จะสบายกว่านี้เป็นอะไรการต่ัญหาอ่าไม่อยากจะอยู่ไม่อยากจะฟังเบื่อไหนลำคาญเป็นวิภาวะดัหาเห็นไหมนั่นเห็นไหมเหตุทางกายเนี่ยถ้ารู้ไม่เท่าทันมันทะลุถึงจิต รู้ทั้งจิตายเป็นตัญหาสามการมตัญหาภาวะตัญหาบีภาวะตัญหาในส่วนใหญ่บอกการมาตัญหาไปพูดถึงเรื่องกรรมไปเรื่องทึงเพศนุ่นมันคนละเรื่องกันแต่ไอไอตัวกรรมที่เกิดจากรูปจากนามมันก็คือตรงนี้คือตัวระดับสัญชาตญาณ น, นะเราก็เข้าไปแก้ก็คือแก้อย่างไรทีน่นี้เราไม่ต้องอยากให้มันหายไม่ต้องอยากมันหนีแต่เข้าไปแก้ไขการแก้ไขคือมีสติ สัมผัสยาเข้าไปขยับมันดูใช่ไหมการที่เราจะขยับเราสังเกตดูว่ามันอยู่หรือไม่อยู่นี่เป็นอะไรเป็นมรมรคือตัวสมถะและวิปัสนามรคือคือตัวรู้ใช่ไหมมรคือสติสัมปชัญญะนั่นมีตัวมรคือเข้าไปดูเข้าไปรู้เข้าไปสังเกตพอมรเข้าไปปับ๊บอาการที่ว่าหนักหนักนงนองตรงนั้นไปไงก็หายไป การหายไปของภาวะที่ทุกขเวทนาก็ดีการหายไปของความอยากที่จะลุกเจะหนีจะเบื่อจะเสงก็ดีก็หายไปเพราะมีตัวเข้าไปแก้ตัวแก้ไขตรงนี้เรียกว่าเป็นมักเมื่อผลของการแก้ไขคือภาวะที่หนักน่วงปวดตรงนั้นเบาไปหายไปเป็นนิโรธอ่ามันต้องนิโรธทางกายก่อนใช่ไหมนิโรธทางเหตุมันเจอก่อน ตอนี้เราทั้งเหตุปั๊บอาในใจของเราที่จะลุกจะหนีจะเบื่อจะเซิงจะคิดอะไรต่างมันก็พลอยหายไปด้วยมันนี้พลอยนิโรธไปด้วยทีนี้เราก็ต้องประคองไอตัวสังเกตตัวศึกษาเนี่ยให้อยู่นั่นเองจึงบอกว่าเมื่อประคองสติสมญาที่เป็นสัมมาถสตินะ่าต้องบอกว่าต้องเป็นสมาถสติถ้าไม่ใช่สมาถสติมันก็จะมาแก้ไขตรงนี้ไม่ได้เพราะไม่มีสมมาถสติสมมาสมาธิก็ไม่ขึ้นขึ้น เมื่อสัมมาสมาธิไม่เกิดขึ้นสัมาญาณหรสัมปัญญาสมมปัญญาก็ไม่เกิดขึ้นอเพราะฉะนั้นเหตุนิดเดียวนะแค่ขยับรู้สึกว่าเออแก้ไขเพราะฉะนั้นตัวนั่งไปนานๆเนี่ยสาเหตุที่เราต้องปล่อยทุกเวทนาให้แช่อยู่ในนานสาเหตุเกิดจากอะไรเพราะเราไม่เข้าไปรู้ในทุกต้องไปทนๆต้นเลยเพราะไม่เข้าไปรู้ในทุกอันนั้นจะไปเข้าไปแช่ในทุกยังไงเข้าไปแช่ในทุกไปกดทุกไปบดทุกไปบังทุกเพราะนั้นเราก็หาเหตุไม่เจอสิ เพราะหาเหตุไม่เจอปั๊บมันก็เกิดความทุกข์พอเกิดความทุกข์เกิดความอยากลักษณะนี้เขาเรียกว่ามันเพลินในเวทนาเพลินในสุขเวทนาเพลินในทุกเวทนาแม้แต่จะขยับเขยื่อนเคลื่อนไหวเพื่อให้เปลี่ยนพันทุกเวทนาให้มันผ่านไปเท่านั้นยังทําไม่ได้เลยแล้วก็ไปแช่อ ย, อยู่ด้นน่นะเพราะฉะนั้นการที่เราที่ได้กล่าววันก่อนว่าการที่จะเราให้เกิดทุกเวทนาให้มากขึ้นเนี่ย เพื่อเจตนาแก้ไขปัญหาบางอย่างเท่านั้นไม่ใช่โดยที่จะทำเอาทุกขเวทนาเนี่ยเป็นธรรมหรือเป็นเราแต่ที่เรานั่งนานๆหลายๆชั่วโมงเนี่ยเพื่อต้องการเอาทุกขเวทนาเนี่ยเราเจตนาให้มันเกิดขึ้นลักษณะอย่างเนี้ยเรารู้ว่าเราจะใช้ทุกเป็นเงื่อนไขให้เกิดอะไรลักษณะยนี้ไม่ถือว่าเป็นการเพลินแต่ถ้าสมมติว่า เราใช้เวทนาตัวนี้อย่างถูกต้องตามเงื่อนไขที่เราต้องการแล้วเนี่ยเช่นที่มาแนะคุณเมื่อวานว่าเอ๊ะมันติดความคิดอย่างเงี้ยเพราะมันมันเกิดอ่าขึ้นแล้วมันก็ไม่ยอมเนี้ยวนไปเวียนมาแต่ความคิดเก่าๆนี่จะทําไงมันคิดทั้งวันเลยเอาออกไม่ได้ทาําไงเอามาบ่นั่งมันยาวๆเลยเดินมันยาวๆเลยหลายๆชั่วโมงเลยเพื่อทําให้ทุกเวทนามันหนักๆดูลเลยเผื่อไอ้มันจะลืมความคิดนั้นได้บ้าง เนี่ยเรียกว่ามีเจตนาในการใช้ทุกเพื่อเดียวมาแก้ไขปัญหาอีกแบบหนึ่งหรืออย่างไฟบางครั้งเราเจตนาจุดขึ้นใช่ไหมเพื่ออะไรเพื่อเป้าประสงค์บางอย่าง<อ>เช่นเราจะหุงข้าวต้มแกงไฟเรารู้ว่ามันร้อนแต่ทำไมจุดมันขึ้นละ่ะเพราะเจตนาผู้จะใช้มันทุกเรารู้ว่ามันมันไม่สบายแต่เราเจตนาให้มันเกิดเพื่อเพื่อเจตนาที่ไปแก้ไขปัญหาบางอย่างเหมือนกับไฟอ่ะอะ มันร้อนไฟแก๊มันร้อนขนาดไหนแต่เรายังก็ใช้มันยิ่งร้อนยิ่งดีเหมือนกันบางครั้งมันติดปัญหาติดอุปทานบางอย่างเนี่ยเราแก้ยังอื่นไม่ติดเอาทุกเน่ยมันแก้ทุกเลยเอาความทุกข์ทางกายไปแก้ความทุกข์ทางจิตเอาเวทนาทางกายไปแก้เวทนาทางจิตอันนี้เรียกว่าเราใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหานี่ต้องรู้นะเอ๊ะทาไมหลงพ่อบอกว่าทุกต้อง เปลี่ยนต้องแปลงไปไม่ให้มันขังอยู่ตรงนั้นแต่ทําไมบางครั้งหลวงพวว่อบอกต้องนั่งหลังนั่หลายชั่วโมงเพราะอะไรให้รู้เจตนาให้รู้ความหมายของที่มาพูดอย่างนั้นเพื่ออะไรว่าถ้าไม่จําเป็นต้องเอาไปแก้ปัญหาอะไรบางอย่างก็ไม่ต้องทนทรมานร่างกายขนาดนั้นหรอกนะแก้มันไปเปลี่ยนมันไปแต่บางครั้งเราต้องการใช้ทุกเวทนาแก้ปัญหาบางอย่างที่มันแก้แล้วมันไม่หลุดเอาเวทนานี่แหละเผามันเลยนะ มันกลับหลุดอย่างนี้ก็มีเพราะฉะนั้นก็ไม่ไ ห, หมายความว่าจะต้องใช้เวทนาบังคับตัวเองทีละหลายชั่วโมงหลายๆครั้งทุกทกวันไม่ใช่แต่เราใช้เพื่อแก้ปัญหาอะไรบางอย่างเหมือนเราใช้ไฟเพื่อการหุงข้าวต้มแกงให้ได้กินเท่านั้นเองเมื่อหมดหน้าที่ไปไงก็ดับทิ้งไปอ่าเมื่อเราใช้เวนาเวทนาตัวนั้นแก้ปัญหาตกแล้วก็ไม่ต้องไปทรมานแบบนั้นอีกเข้าใจไหม อันนี้ส่วนหนึ่งสำคัญดังนั้นเมื่อเรามาดูเวทนาแก้ไขเวทนาว่าเวทนาทางกายต้องแก้ไขด้วยการรู้เท่าทันหลักของไตรลักษณ์การแก้เวทนาทางจิตที่ออกมาเป็นสมุทัยก็คือตัญหาสามสมุทัยของทุกขเวทนาทางกายก็คือให้รู้เท่าทันต่อ ใจะะรักไปแก้หลักของใตรักคือมันเปลี่ยนแปลงไปทางที่มีไม่พึงปรารถนาก็เปลี่ยนแปลงให้มันไปทางที่มันถูกซะแก้ไขตรงนั้นซะเมื่อเรามันเปลี่ยนแปลงของมันเองเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปทางปวดอันนี้จังทุกข์ขมันก็นให้เกิดทุกข์ปวดขานี่ไหมแล้วก็เปลี่ยนแปลงก็คือขยับขยเขยืนเคลื่อนไหวเอาสติเข้าไปแก้ไขขยับการเจตนาในการขยับเนี่ยเพื่อการแก้ไข ถ้าหากว่าปล่อยให้มันเปลี่ยนเองขยับเองโดยที่ไม่มีเจตนามันก็ไปสั่งสมตัวไม่รู้อีกคือโมหะเพราะเปลี่ยนไปด้วยความไม่รู้แต่พอมันเปลี่ยนไปด้วยความรู้สึกตัวเจตนาที่จะเปลี่ยนมันก็เกิดสัมมาสติขึ้นมามันก็ไปแก้ปัญหาทางด้านในด้วยคือตัดเอาความอยากออกไปความอยากภายในที่เป็นตัณหาสามบ อ, อกไปเพราะนั้นพอเราแก้เหตุของปัญหาภายนอกคือทางรูปถูกต้องปับ เหตุของปัญหาภายในมันถูกแก้ไปด้วยอันนี้ถ้าเราแยกไขเพียงพอนะถูกแก้ไปด้วยอันนี้คือตัวสัมมาทิฏฐิไอ้เฉพาะสัมมาทิฏฐิก็กินไปเยอะแล้วใช่ไหมถ้าหาว่าเราเข้าใจแจม่มแจ้งนั้นท่านจึงเอาตัวสัมมาทิฏฐิจึงมาเป็นมรรคเบื้องต้นในการแก้ไขปัญหาทุกพอแก่รู้จักแก้วนเวียนอยู่อย่างเงี้ยวันวันึงไม่ใช่ว่าเราจะนั่งปฏิบัตินะเราไปทําการทํางานอะไรก็แต่ ที่มันทุกข์มันหนักนอะไรต่างๆแล้วก็แก้ไปอย่างนี้แหละก็อย่าไปกลัวถ้าเราไปกลัวแล้วชีวิตก็ไปไม่รอดเพราะถ้าเรากลัวทุกเวทนาเราก็ไม่กล้าทํางานหนักเลยใช่ไหมเพราะเพราะเวลาไปทํางานเนี่ตากแดดตากฝนต้องขุดนั่งต้องทํานี่ต้องแบกนั่นต้องทํานี่อ๋อเราก็ไม่อยากแล้วมันทุกข์อ่ะใช่ไหมคนก็จึงที่ไม่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่มีธรรมก็จึงขี้เกียจไงเพราะกลัวทุกเวทนาเมื่อคนขี้เกียจมากๆก็ สินธรรมก็โหดหายไปปัญหาก็าเกิดขึ้นมาแทนปัญหาการเอารัดเอาเปรียบปัญหาการโกงคอรัปเชินปัญหาการได้มาโดยที่ไม่ต้องอใช้ความชอบธรรมเข้ามาเนี่ยมันก็เกิดปัญหาอย่างที่เราเห็นแค่ตัวสัมมาทิฏฐิตัวเดียวถ้าว่าเอาไปใช้ไม่ถูกนะมันเกิดปัญหาทั่วโลกเลยใช่ไหมคนก็เลยกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นสักยทิฏฐิเน่เพราะนั้นในพุทธศาสนาแก้ด้วย สัมมาทิฏฐิแล้วท่านก็บอกเป็นภาษาบาลีไว้อย่างนี้นะสัมมาทิฏฐิสมาทานาสภาพุขาอุปจุคุงผู้ใดก็ตามมีความเห็นมีความเข้าใจถูกต้องตามหลักอริยสั์ผู้นั้นจะพ้นจากทุกทั้งปวงฮะสภาพุขาอุปัจจุคุงผู้นั้นจะข้ามพ้นจากทุกหมายความทุกและปัญหาทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นในากายใ น, ในใจในครอบครัวในสังคมในบ้านเมืองในโลกเนี่ย แก้ไขด้วยสมาธิทิอย่างเดียวถ้าผู้นําทั้งหลายมาทําความเข้าใจเรื่องสมาธิทีก็หมายความว่าโลกนี้ก็จะถูกแก้ปัญหาได้โดยง่ายเห็นไหมเห็นเห็นขอบข่ายของสมาธิทีว่าตั้งแต่ปัญหาในส่วนที่เป็นภายในตัวของเราจนไปปัญหาภายนอกทั้งหมดต้องถูกแก้ด้วยสมาธิทิเท่านั้นนะหลวงพ่อพุทธทาสบอกว่าถ้าในโลกนี้คนเป็นสมาธิทีแค่ยี่เซน่ยโลกนี้มันจะเย็นไปทั้งโลกเลยนว่า แต่นั่นหายความโลกนี่เป็นมิจฉาทิถีกันเยอะเลยใช่ไหมความทุกข์มันถึงท่วมโลกขนาดนี้นะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปตามแก้มันยากหรอกแก้ที่ตัวเราก่อนนี่ละกันอย่างน้อยถ้าแก้เราจะมิจฉาทิฐิมาเป็นสัมมาทิฏฐิในครอบครัวของเราก็สบายขึ้นเยอะเลยใช่ปัญหาในส่วนตัวก็สบายขึ้นยุอย่างที่คุณชุลภีว่ามาเมื่อก่อนอ่าใช่ไหมในครอบครัวของเราก็อ่าให้ความเคารพเราเกินใจเราเชื่อฟังแล้วก็แก้ปัญหาเขาได้ ปัญหามันก็น้อยลงไปอันนี้ในระดับครอบครัวนะแล้วเวลาไปไปที่ทํางานนะในที่โรงเรียนในที่ราชการที่ทํางานก็กระจายกันไปกระจายขึ้นไปถ้าในที่ทํางานนั้นมีคนที่เป็นสมาธิติสมมติสิบคนมีสมาธิติสักสามคนหรือห้าคนปัญหาก็ตัดไปเยอะเลยใช่ไหมแต่ถ้าเกิดมีคนเดียวแล้วก็ถูกลุมเหมือนกันนะวพราะฉะนั้นก็ต้องเพิ่มเช่วยกันเพิ่มสมาธิติบุคคลขึ้นนะนะอันนี้คือหลักของสมาธิติ มักองค์ที่หนึ่งน่ะมีเดฟิชันสี่อย่างก็คือให้รู้ในทุกเหตุเกิดทุกทการดับทุกวิธีการดับทุกดังที่กล่าวไปแล้วทีนี้มาดูองค์ที่สองเมื่อเห็นถูกแล้วถือว่าตัวสมาธิทีเนี่ยเป็นหัวขบวนของรถถ้าหัวขบวนของรถเนี่ยรถขบวนนี้มันมีโบกี้ถึงเจ็ดโบกี้เนี่ยถ้าหัวขบวนมันพาไปทางไหนไตัวโบกี้มันก็ไปทางนั้นแหละถ้าเปียกสมรถรถไฟ แล้วมันกระจุงมันแล้วแต่ว่ามันจะลากมันจะจุงได้มากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับหัวขบวนมันแรงหรือไม่แรงอยรถไฟไทยกับรถไฟเมกาอารยุโรปนี่คนละเรื่องเลยนะรถไฟไทยนี่ก็ห้าโบกี้10 10บโบกี้อย่างมากแต่เขาเมกาไปเลยร้อยสอรอโบกี้นะยาวเป็นกิโลสองกิโลนะ เพราะว่าใช้พลังในการดึงดูดสูงฉันใดก็ดีถ้าสมมติเรามีสัมมาทิฏฐิอย่างสูงมีพลังสูงเราจะช่วยสังคมได้มากมายมหาศาลเลยเราคนเดียวนี่แหละเพราะในตัวสัมมาทิฏฐินั้นเป็นองค์ของปัญญาเมื่อเราเข้าจะเออเมื่อเห็นถูกเมื่อเข้าใจถูกสัมมาสังกัปปะก็เกิดขึ้นสัมมาสังกัปปะอันที่สองมี definition อยู่สามอย่างคือนะ ไม่เป็นผู้ที่เนคขมัสสังกปะคือพยายามออกจากความอยากทั้งหลายนะเนคขมคิดในเรื่องที่จะออกจากอะไรก็ตามที่มันจะเป็นไปเพื่อความอยากความเดือดร้อนของตนเองและผู้อื่นพยายามหาทางที่จะไม่เข้าไปตรงนั้นคิดในเรื่องเนี้คิดที่จะออกจากความคิดจะออกจากความโลภ บ, บ้างนันเถอะถ้าว่าไป่ะคิดที่จะออกจากความโลภอะไรที่มันโลภมันอยาก ท่านใช้คำว่เขมัสังกับปนานะอันที่สองอภยาปาทาสังกับปะคิดในออกจากความโกรธนะคิดที่จะออกจากความโกรธถ้าหากว่าเรามีความโกรธอยู่แล้วเนี่ยแทนที่เราจะไปออกด้วยวิธีอย่างอื่นไปด่าเข้าไปดอไปทอเข้าไปอาฆาตมาตรายเขานี้ไม่มี พยายามออกจาก้ความรู้สึกโกรธของตัวเองขณะนั้นรู้สึกโกรธแล้วนะรู้สึกขุนแล้วนะรู้สึกไม่ชอบแล้วนะแทนที่จะไปมุ่งล้ายหมายขวนให้คนที่เราไม่ชอบใช่ไหมแต่กลับมาดูไอ้ความออกพยายามที่ออกจากความรู้สึกที่ไม่ไม่ดีในขณะนั้นนี่เขาเรียกคิดถูกคิดยังไงก็ได้ขอให้ออกจาก้ความรู้สึกประเภทนี้ก็แล้วกันนี่เขาเรียกว่าสัมมาสังกปะประเภทที่สามอวิหีส า, ส, าสังกปะ คิดที่จะออกจากความหลงน่ะที่จะออกจากความหลงคิดที่จะออกจากความโลภความโกรธความหลงนั่นเองเป็นสัสมมาสังคปะท่านท่านไม่ได้บอกว่าคุณจะคิดจะคิดนะไม่ได้บอกนะแต่คิดที่จะออกจากในสิ่งที่ไม่ดีเนะี่ยคิดเถอะน่ะไม่ผิดนั้นในพุทธศาสนาคําสอนของวิธีการของพ่อเทียนเนี่ยไม่ได้ห้ามไม่ให้คิด แต่คิดให้ถูกคิดให้ถูกคิดยังไงก็คิดออกจากสามเรื่องนี้เนี่ยเวลามันโลภเวลามันอยากคิดออกจากความโลภและความอยากเวลามันโกรธคิดออกจากความโกรธเวลามันหลงคิดออกจากความหลงคิดยังไงก็ได้ออกจากมันแต่ให้คิดอย่างมีเหตุมีผลนะไม่ใช่คิดเอ่อเลื่อยเปื่อยเฉยแฉโดยที่ไม่มีเหตุผลอันนี้ก็ไม่ใช่กลายเป็นสังขารกลายเป็นมิจฉาสังกัปะไปนะแต่คนทุกวันนี้คิดตรงกันข้าม คิดจะเลยรวบได้เยอะๆใช่ไหมคิดจะอาฆาตเอาเปรียบเอาคืนแก้แค้นคนได้เรียกว่าลึกๆแล้วก็ที่เขาเอาคืนไม่ได้แล้วก็คิดอยากจะหาความสนุกสนานไปวันๆหนะคิดอยู่ในความหลงคิดที่จะให้โลกความคิดจะสนองตอบต่อความโลภความหลงตลอดเวลาเป็นวิจฉาสังกปะโลกมันถึงได้เป็นอย่างนี้นะนะแต่ถ้าพอ เอาคิดในทางไม่โลภไม่โกรธไม่หลงคิดออกจากความโลภความโกรธความหลงนี้เรียกว่าสัมมาสังกัปปะเพราะฉะนั้นองค์สององค์เนี่ยคือองค์ของสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะจึงเป็นองค์ของปัญญานั่นพุทธศาสนาเริ่มด้วยด้วยเริ่มต้นด้วยปัญญาน่เริ่มต้นด้วยปัญญ า, นะตญญาแต่เวลาปเปรียงป ร, ริยัติเป็นเริ่มต้นด้วยอะไรเป็นศีลใช่ไหมศีล ส, สมาธิ ปัญญาปัญญาไปไว้ท้ายเพื่อนเลยแต่พอหลักปฏิบัติเป็นปัญญาแล้วก็ศีลอสมัครที่ว้ที่หลังนะเพราะฉะนั้นสมถะที่สมศักะเป็นองค์ของปัญญาที่สมมาวิจารสมากรรมตะสมาชีวะเป็นศีลเอาไว้ตรงกลางนะสมมาวิจาที่เราสวดไปเมื่อกี้ว่าไงนะเว้นจากการอะไรนะเว้นจา ก, การพูดโปรดเว้นจากพูดคำหยา เป็นจากกาพูดสอเสียดเป็นาการพูดเพ้อเจ้อใช่ไหมอันนี้ลักษณะเดฟนิชันของการาสัมมาคุณจะพูดอะไรก็ได้แต่เว้นคำสี่คานี้เนี่ยแต่ถ้าหากว่าคุณพูดน้อยที่สุดพูดดีที่สุดแต่มันมันอยู่ในโครงสร้างของคำสี่คานี้ก็ถือว่าเป็นมิจฉาวาจาอยู่แต่ถ้าหาคุณใช้คําพูดตลอดแต่ท่านมีเดฟนิชันไว้อย่างนี้ว่าถ้าจะพูดให้ดีหนึ่งพูดความจริง สองพูดเอื้อประโยชน์ไม่เสียประโยชน์ตัวเองหรือผู้อื่นสามคำพูดนั้นเป็นที่รักปิยาวาจาหนึ่งเป็นจริงสองเอื้อประโยชน์สามเป็นที่รักเนี่ยท่านบอกว่าถึงจะพูดอะไรก็ตามพึนเคยว้นคำสี่คำแต่ให้อยู่ในโครงสร้างของคำสามคำนี้โครงสร้างสามอย่างนี้เป็นประโยชน์เป็นความจริงแล้วก็ไม่กระทบกระทําผู้อื่นคือเป็นที่รักนะ นี่ก็เรียกว่าสัมมาวาจาในถ้ามีสติแล้วมันก็เป็นไปโดยอัตโนมัติใช่ไหมถ้ามีสติมีสัมรย่ามีปัญญาและคำพูดมันก็ดีโดยอัตโนมัติไม่ต้องมานั่งคิดว่าเราพูดถูกหรือเปล่าพูดผิดหรือเปล่าเมื่อมีสติญาณมันกรองของมันเองเสร็จอมาถึงบอกว่าเมื่อมีสัมมาทิฐิแล้วเนี่ยไอตัวข่วบนทั้งหลายที่ตามมามันถูกหมดก็อย่างนี้แหละมันกรองของมันเองไม่ต้องไปเลือกแต่ถ้าเรายังเป็นมิจฉาทิฐิอยู่ตั้งใจจะพูดถูกบางทีกลายเป็นผิด ตั้งใจจะพูดผิดวิธีมันกลายเป็นถูกเพราะหัวขบวนมันผิดอยู่แล้วนะที่ต่อมาสัมมากัมมันต ะ, ะมีสามคือไม่ประพฤติผิดในการมไม่ไม่ฆ่าไม่ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการมนี่กรรมสามประการเนียคนจะจะเว้นนะถ้าหากว่าเว้นได้ก็หมายความว่ากรรมชั่วของเราไม่มีแล้ว ไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกรรมแล้วสัมมาวาจาก็ก็คือตัวมิกี้เอามาบวกกันเพราะฉะนั้นเฉพาะสัมมากรรมมันตะกับสัมมาวาจาก็เป็นสินห้าแล้วใช่ไหมอ่าเป็นสินห้าไปแล้วไว้ตรงกลางแล้วสัมม า, าชีวะการประกอบอาชีพการทํามาหากินในดางที่ไม่ทุจริตผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมไม่ผิดประเพณีไม่เอาเปรียบเพื่อนนี่ก็เป็นสัมมาอ า, อาชีวะแล้ว สาสข้อนี่เป็นศีลคือสมาวาจาสมากัมมตาและสมาชีวะเป็นศีลแม้อาศีนี่ตรงกลางแต่พอมาถึงเรื่องของสมาธิก็สมาวายามะที่ได้กล่าวไปวันก่อนว่าสมาวายามะที่กล่าวไปวันก่อนก็ท่านในแง่ของปรมัตยก็คือเอามาปฏิบัติกับตัวเอง เ, อเช่นระวังไม่ให้ง่วงมันเกิดขึ้นสองเมื่อง่วงมันเกิดขึ้นไปไงต้องตัดทันที สต้อง <c oughs> ต้องขยันสร้างความรู้สึกตัวเพื่อให้ไอตัวง่วงไม่ให้เกิดอ่สี่ก็คือเมื่อมันตื่นตัวแล้วก็พยายามรักษาระดับความตื่นตัวให้คงที่ถ้าเมาื่อใดระดับความตื่นตัวมันลดลงรู้วง่วงมันต้องเข้าใช่หแต่ส่วนใหญ่เป็นไงรักษาได้ไหม ไม่ค่อยได้เดี๋ยวสักพักมันก็ง่วงใหม่อีกแก้ไขแล้วอคุณหมอท้าบอนโอ้แก้ไขได้ง่วงได้สเสด็จเอาผ่านไปยังนั่งงอเงาะอยู่อีกต้อไม่แสดงว่ามันเป็นอันนี้จังอยู่ยังไม่คงที่น ะ, ะก็ต้องหาวิธีแก้แต่บางทีเวลาความง่วงมันเข้ามันนึกอะไรไม่ออกเลยนะเออ ท, ทั้งๆที่มีวิธีที่แก้เป็นร้อยๆวิธีแต่นึกไม่ออกสักวิธีเลยต้องไปนั่งง่วงยอกจำนวนกับมันนะอันนี้เขาเรียกวเป็นวิบากนะเป็นวิบากกรรม ขาดความแยบคายนะพราะเอามาถามแล้วว่าง่วงเนี่ยเวลามันจะเกิดมันเกิดขึ้นทันทีไหมไม่ใช่มันเริ่มทีเล็นิดแหละมันก็ไปแก้ตรงนั้นแหละมันเวลาความง่วงมันจะเกิดนั่งคอสังเกตมองไหมมันมันเริ่มยังไงคุณคุณเลิศเคยง่วงไหมแล้วเออมันเริ่มต้นยังไงคุณอธิบายถูกไหมก่อนที่ความง่วงมันจะเกิดมันเริ่มต้นยังไงก่อนที่ความง่วงเริ่มไม่ใช่เริ่มต้นที่จะเกิดน่ยมันมีอาการยังไงร่างกายของเราเนี่ย มันเพลินในความสุขเขเวทานาก่อนใช่ไหมห อ, อ, อ่าพอเพลินแล้วขาดสติอ่านั่นสาเหตุของความวุ่นจริงๆมาทางกายหรือทางจิตอ่าเริ่มต้นที่จิต <c oughs> เริ่มต้นที่นามะไม่ใช่เริ่มต้นที่รูปใช่ไหมพอนามันไม่ถูกครอบคุมรูปกว่าไปยังไงครบคุมไม่อยู่แล้วใช่ไหมตาก็เริ่มไปยัไงหนักใช่ไหมหายใจเริ่มสั้นคอเริ่ม ตกมาไปตามเนี้ยมันโอเคถ้ามันเริ่มในใจเราไม่ทันใช่ไหมเริ่มตาหนักเนี่ยมันน่าจะทันแล้วใช่ไหมหายใจสั้นมันน่าจะทันแล้วคอตกเนี่ยหมายความว่าที่สุดของที่สุดแล้วมันหนักแล้วจากระดับหนึ่งไปถึงสิบเลยมันคนจริงมันต้องทันได้ระดับหนึ่งสองสามสี่แล้วใช่ไหมอันนี้ไปถึงระดับสิบแล้วไม่ทันนี่แสดงว่าอาการหนักแล้วเหมือนกันเนี่ยเห็นไหมมันไม่เหตุนะไม่ใช่จู่จูมันจะเป็นท่านบอกว่าให้ เท่าทันด้วยการรักษาระดับของความตื่นตัวไว้นะเพราะนั้นในนิยามของสัมมาวายมะก็คือหนึ่งระวังก็เรียกวสังวรปรทานสองระวังแล้วมันก็ยังเกิดขึ้นเขาใช้ประหารตัดทันทีสามต้องสร้างกำลังตื่นตัวเพราะการที่ง่วงมันเป็นตัวไม่ตื่นตัวใช่ไหม นะแต่ว่าเวลาตื่นตัวแล้วตื่นตาตื่นใจแล้วไม่หลับตาให้มันมันจะกล้า ง, ง่วงไหมมันจะง่วงเหรือเดินออกไปนุ่นข้างนอกดูแสงพระอาทิตสู้กันเลยอ่ามันก็ไม่กล้า ง, ง่วงแล้วอันนี้เรานึ่งไม่ออกหรอกแม้เรารู้เป็นร้อยร้อยวิธีก็ตามแต่เมื่อเราลืมสติข้างในปั๊บมันลืมหมดเลยนะอันนี้ต้องหาวิธีเต้นฟุกเวิร์กหน่อยอย่าอย่าให้มันตีชกเข้ามุมมนะเข้ามุมแล้วเขาก็อัดเราลูกเดียวอัดจนคอเเพ้วค อ, อ, อเอียงเลยว่ากัน้น อ่นะสีส่อันที่อนี่สองนเรียกว่าประหารประทานอันที่สามเรียกภ า, าวนาประทานนะอันที่สี่ก็คืออนุรักษ์รักษากําลังหความตื่นตัวเอาไว้เพราะฉะนั้นคนมีความเพียรดีท่านเรียกว่าประทานท่านประทานนั้นประทานนี้ใช่ไหมอ่าท่านเามาใช้ภาษาบาลีว่าสังวรประธานให้มีความระวังเป็นประทานในขณะปฏิบัติเนี่ย เดีเอาควา ม, มาลัดระวังเป็นลูกน้อง emer, ไม่ได้แล้วไม่ทันแนะเอาควา ม, มาลัดระวังขึ้นมาเป็นประธานทีเดียวนะสองเมื่อมันเกิดปัญหาเราเอาใครเอาใครขึ้นมาเป็นประธานการตัดการขจัดการบำบัดการแก้ไขขึ้นมาเป็นประธานสามเมื่อที่จะให้มันตื่นตัวไม่ให้มันง่วงอีกต่อไปเนี่ยเอาใครขึ้นมาเป็นประธานเอาภาวนาขึ้นมาเป็นประธานเรียกวภาวนาประธาน สองเมื่อภาวนาตื่นตัวดีแล้วเอาใครขึ้นมาเป็นประธานแทนอนุรักษณาเอาขันอนุลักษ์รักษ า, าระดับของความตื่นตัวให้เข้มแข็งมาเป็นประธานเพราะฉะนั้นประธานแปลว่าผู้เข้มแข็งถ้าคนที่ไม่เข้มแข็งเป็นประธานไม่ได้นะในใ น, ในบุรีนะอันนี้คือเดนิฟิชันของคําว่าสัมมาวายามะมีสี่ประการมีสังวรมีประธานมีภาวนาและมีอนุรักษ์เอามาใช้นะอันนี้สัมมาวายามะแล้วนะ เราไปสมาสติก็คือพูดอยู่แล้วทุกวันไม่ต้องมาพูดอีกคืออะไรกําหนดรู้ ก, กายเวทนาจิตธรรมก็หนรูล้ลู่ลวนามนี่เป็นสี่ประธานสีล่ล้แล้วก็สมาสมาธิอ่าที่นี้มาตกที่สมาสมาธิบ้างสมาสมาธิที่เราสวดเมื่อกี้ค่อนข้างจะ ย, ยาวนะอ่านีความพยายามประคองตั้งจิตไว้ที่เราสวดมี มีความพยายามประคองตั้งจิตไว้ทีนี้ความพยายามประคองตั้งจิตไว้ที่ไหนเ่สมาสมาธิที่เป็นตัวบทตัวหลักปริยัติบอกว่าต้องเข้าฌานสี่ใช่ไหมที่สวดเมื่อกี้สวดฌานสี่ฌานที่หนึ่งก็คือถ้ากว่าเราตั้งจิตให้สงบถ้ามันยังมีอะไรอ่ะมีความคิดวกวักแหวมเข้าไปเข้ามายังมีความคิดเล็กเล็กน้อยน้อยเกิดขึ้นเรื่องนั้นเรื่องนี้ยังไม่สงบถ้าสมมติเรานั่งสมาธินะ เรื่องนั้นปับ๊บเรื่องนี้ปับ๊บเราก็มีสติเพิ่มสติเข้าไปเพิ่มสติมากําหนดรูปนามให้ชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นเมื่อรูปนามชัดขึ้นเรื่อยๆตัววิตุวิจารก็สงบระงับไปนะแต่ว่าสู่พักมาอีกก็ปรับนะครับปรับสติสมาธิให้คงที่ ฌานนี้ไม่ต้องนั่งหลับตาก็ได้นะทาอะไรก็ได้เพียงแต่มารู้ความรู้สึกตัวคุณอาจจะทํางานอยู่ได้คุณก็เข้าฌานได้นะเพียงแต่ว่าดํารงอํานาจของสติสมาธิชัดชัดอยู่ในรูป ก, กำนาำโดยที่ไม่ให้มีอารมณ์คิดปรุงแต่งเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามาผ่านเลยให้มีสติสมาธิล้วนๆเนี่ยเป็นฌานได้ยังเป็นแล้วเอาคุณภาพของมันไม่ใช่พูดถึงเรื่องฌานะ น, นั่งหลับตาปีเลยนิ่ง ไอคนนั้นอาจจะคิดสาระฟันอย่างก็ได้คนที่นั่งนิ่งเฉยแต่คนที่ทํางานหัวหกคนผิดแต่ว่าจิตเขาห้างเฉยเลยจิตเขานิ่งเนี่ยมีไหมอย่างนั้นมีไหมมีถามว่าอย่างนั้นเข้าฌานได้ไหมเข้าได้เอาคุณสมบัติเอาเนื้อหาไม่ใช่เอารูปแบบถ้าเอารูปแบบคนที่เขาอาไปนั่งดับตาเข้าสมาธิที่สงบขาขวาท้าขวาซ้ายมือขวาเท่ามือซ้ายตั้งตัวตรงดํารงสติมั่นดูท่าสง่านิ่งเหมือนเข้าฌาน แต่คนจริงในใจเป็นอะไรก็ไม่รู้หรือบางทีนั่งหลับไปแล้วก็ได้น่ะไม่มีคุณภาพอยู่เลยเหลือแต่รูปแบบอันนี้เอาเป็นเก่งไม่ได้แต่ถ้าถ้าคนไหนทําได้ทั้งเนื้อหาและรูปแบบก็ถือว่าเก่งนะหมายความว่านั่งนิ่งแล้วมีสติก็รู้รูร้รรหายใจแล้วก็จิตว่างก็ดีทีเดียวทําได้แต่ว่าปฏิเสธเวทนาได้ไหมนั่งนานๆเป็น5้านาทีสิบนาทีขามันปวดหลังมันเมื่อย อะไรต่าที่ร่างกายเราไม่พร้อมถ้าไอ้สิ่งนี้มันคอยหยิกย้ำซ้ําเตือนเราอยู่ในจิตเราจะเป็นสมาธิได้ดีไหมไม่ได้ดีแล้วชื่อสู้ศึกสองด้านแล้วนะสู้ปวดด้วยก็จิตก็จะคอยคิดเรื่องโน้น เ, เรื่องนี้อยู่เลยชักชักยุ่งละทีนี้แต่ถ้าสมมุติเราทํากายทํากายให้สบายสบายจะทําอะไรก็ทําไปทํากายให้สบายเอาเวทนาออกไปแล้วก็พยายามเอาสติมาเคลียร์จิต ไม่ให้มันปรุงแต่งฟุ้งซ่านเรื่งนั้นเรื่องนี้ให้เห็นลูกน้ําให้ชัดแสรมสว่างอยู่เสมอตั้งแต่หัวจุดเท้าคุณจะทําอะไรก็ทําไปเบาๆค่อยๆสบายๆทําไปแล้วก็จิตก็คอยสติเขาคอยดูแลจิตอยู่ว่าขณะนี้จะมีไอ้ความคิดอะไรเข้ามาม้างไหมอะไรมันแป๊บเข้ามามั่งไหมพอแป๊บเข้ามาสลัดไปก็กลับมาอยู่ความรู้สึกตัวเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ขณะทํางานเข้าชานได้ไม่คข้าชานที่หนึ่งได้ไหมได้ เราไปทําดูนะบอกตอนนี้อย่ามายุ่งนะฉันกำลังเข้าฌานอยู่นี่ไม่ต้องได้พูดเลย <c oughs> คุณทําอะไรก็ได้คุณคุยอะไรก็ได้แต่วา่าให้รู้สึกตัวชัดๆเท่านั้นเอง อ, ะอ่ะอย่างอาจารมาพูดออกมาก็ต้องเข้าฌานพูดใช่ไหมถ้าไม่เข้าฌานพูดว่ประเด็นก็เบอร์ไม่กกเป็นเรื่องเวลาหมดใช่ไหมฌานนุ้ยก็ทำให้เกิดตัวหยาดปัญญาใช่ไหมทีนี้ฌานที่สองเขาว่างไงนะว่าเมื่อสติเอ่อเมื่อวิตกวิจารณ์สงบระงับลง วิตกกะวิจาราวูปสมาใช่ไหมเมื่อวิตกวิจารังับลงก็เข้าสู่ฌานที่สองคือมีปีติและสุขปีติและสุขขึ้นมาแล้วก็ไม่ปีติจนล้นเหลือสุขจนไม่ใช่เง้นปีติและสุขอาการมันคือเบาสบายเดินไปนานวันนี้ได้ลงเบานะทำแล้วไม่เบื่อไม่เมื่อยเ บ, อบาคิดก็ไม่คิดเบาเดินคล่องไม่ปวดไม่เมื่อยเลยใช่ไหม ทีนี้ไอ้ฌานที่สองเจอยู่ได้นานแค่ไหนเนี่ยขึ้นอยู่ว่าความเบาพร้อมของคุณที่คุณปฏิบัติอยู่มันอยู่ได้นานแค่ไหนก็นั่นแหละที่ อ, อายุของฌานมีใช่ไหมอย่างเมื่อวานู้ปฏิบัติไปแล้วชั่วโมงที่สามที่สีนี่เบาสบายเลยได้ไหมนั่นให้รู้ว่าเป็นฌานที่สองแล้วเมื่อยากเลยใช่ไหมนี่ก็สัมผัสก็อยู่ทุกวันนะ่ะแต่นื้นอจากเราไม่รู้จักเท่านั้นเองว่ามันจะเป็นฌานได้ไงคุณไม่ได้นั่งหลับตาขาดสมาธิมันเป็นไม่ได้หรอกอนี้พวกที่เขาติดรูปแบบเขาจะว่ายอย่างนั้น แต่เราไม่เอารูปแบบเราเอาเนื้อหาเราเอาสาระวันวันหนึ่งความเบาๆอย่างนี้มันเกิดปรากฏหลายครั้งไหมนั้นวันนันคุณก็เข้าฌานได้หลายครั้งแต่อายุของฌานนั้นจะยาวหรือไม่ยาวมันอยู่ที่คุณภาพของสติสมาธิที่เราแต่ว่าทำนี้ไม่ได้ทําด้วยความบังคับนะใช่ไหมทำด้วยการเหตุปัจจัยที่ถูกต้องนี้ฌานลักษณะนี้เป็นฌานที่เอื้อต่อวิปัสสนานะโดยธรรมชาติ แล้วทุกคนยอมรับว่าทําไปแล้วนานๆแล้วมันเกิดเบาเกิดสบายสว่างสงบลึกๆเนี่ยมันปิติและสุขเกิดขึ้นละที่นี่เป็นฌานที่สองที่ฌานที่สามที่เขาว่ามังกี้ว่าอะไระจิตที่ละไ อ, ไอไอตัวความพอใจไม่พอใจออกไปได้จิตเฉยๆแล้วก็จิตก็เป็นหนึ่งเอกคตานะ มีสมาธิเป็นเอกเนะี่ยมีสมาธิเป็นเอกเป็นเอกคือหมายสมาธิมีความตั้งมั่นของอารมณ์เฮ้ยก็จะนึกถึงความสบายก็มมีนึกถึงความไม่สบายก็มีเฉยๆกายก็ปรงจิตก็โปรงแล้วจิตก็นิ่งอยู่อย่างนั้นแล้วเราก็ไม่ไปยึดอะดูมันเฉยๆมันไม่เข้ามาเนี่ยมันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้บังคับมันแต่ว่ามันนิ่งอยู่นะั้นเป็นเอกขาตาลมแล้วก็ความอะอะไรความพอใจไม่พอใจในละ ละอันนั้นได้ลักษณะเนี่ยมีไหมบางครั้งมีใช่ไหมแล้วกค่อยๆฌานที่สามได้ละแต่ว่าจะยาวหรือไม่ยาวขึ้นอยู่กับอําอนาจของกําลังสติสมาธิของเราว่ามีหนักแน่นลึกซึ้งแค่ไหนถ้ามันหนักแน่นลึกซึ้งมันก็เข้าฌานนี้ได้ยาวนะแล้รพระอริยเจ้าสันนิเสธท่านบอกว่าอาจิคันติพอมาฌานที่สี่ท่านบอกว่ า, า, า, า, 4, วาละสุขละทุก ความคิดปรุงแต่งทั้งอดีตอนาคตเสียได้แล้วมีสติอุบและอุปเปขาเป็นอารมณ์ฌานที่สี่เนี่ยมีสติและอุปเปขาเป็นอารมณ์คือหมายความว่าจิตวางเฉยแล้วก็รู้อยู่นะว่าเราจิตระวังเฉยแล้วก็ความคิดความพอใจไม่พอใจทั้งอดีตอนาคตไม่มารุกวนเลยจิตไม่ขุนมัวไม่เศร้าหมองนะ เมื่อกี้ท่านบอกว่าละทุกละสุขชาติที่สามนะคือไม่ติดในสุขเวทนาไม่ติดในทุกเวทนาสุขทุกเวทนาไม่อยู่แต่ว่าไม่เข้าไปเกี่ยวข้องไม่เข้าไปเสพแต่พอมาชาติที่สีนั้นละความพอใจไม่พอใจได้แล้วก็มีสติและ อ, อุเปิขาเป็นอารมณ์บางครั้งจิตมันเฉยความคิดอดีตในอดตก็ไม่มีจิตมันว่างอะ่ะเอาความว่างเป็นอารมณ์การที่เอาความว่างเป็นอารมณ์เอาสติและ อ, อุปิขาเป็นอารมณ์นั้นเป็นชาติที่สี่เหมาะ ที่จะไปเป็นอารมณ์วิปัสนาแล้วเพราะฉะนั้นคนที่จะเข้าสู่ตัววิปัสนาเนี่ยไม่จําเป็นต้องไปชาน8แค่ชานสีนี่ก็พอละนะแค่ชาน2อชานสานี่ก็พอนะแต่ให้เข้าใจถึงเนื้อหาสาระของมันแล้วเราทําได้เรื่อยๆเพราะวันนี้จะเข้าชานสักกี่นาทีก็ก็ตั้งใจได้ใช่ไหมเออไม่จะไปนั่งหลบที่ไหที่หนึ่งเดี๋ยวเข้าชานก่อนงั้นไม่ได้ไมัน เ, เสียการเสียการนะใช่ไหมคุณจะ ทํามาหารคุณจะเด็ดผักหักฟืนคูณจะสักผ้าคุณก็ค่อยชาญได้แล้วทีนี้ยขอให้รวมกายรวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันในขณะนั้นชัดๆถ้าอย่างชาญอย่างนี้น่าเข้าไหมน่าเข้าผพรมเข้าได้ทุกที่แล้วเข้าได้สบายด้วยใช่ไหมแล้วคุณขับรถจะเข้าชารแล้วคุณจะนั่งหลับตาขับรถได้ไหมไม่ได้ให้เกิดอุบิเหตุเลยแต่ถ้าคุณขับรถไปแล้วก็ตื่นตาตื่นใจถ้าใจไม่คิดไปปรุงแต่งอะไรมีสติ alert อ, อยู่ดูหน้าดูหลังดูซ้ายดูขวาก็ขับได้ดีใช่ไหมก็ปลอดภยัย เพราะฉะนั้นอันนี้เรียกว่าสัมมาสมาธิอย่างไหมไม่ยากเลยนะขอให้เรามีสัมมาทิฏฐิเป็นหลักให้มั่นคงนั้นเบื้องต้นของนักปฏิบัติเนี่ยขอให้ทดสอบทวนไปทวนมาเกี่ยวเรื่องสัมมาทิฏฐิเนี่ยให้ชัดเจนแล้วต่อไปตัวสัมมาสังกปะจนไปถึงส ม, มาส ม, มาธิเนี่ยมันจะเป็นไปเองแต่ว่าเราจะเน้นองค์ไหนในเจ็ดองค์เนี่ย ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถพิเศษของเราเราจะใช้ตอนไหนแต่แน่นอนหัวขบวนไปไปถูกทางแล้วเมื่อหัวขบวนไปถูกทางเราจะชอบนั่งตู้ไหนเงี้บางครั้งไปนั่งตู้สเสบียงใช่ไหมหาอะไรกินหน่อยอบางครั้งก็ไปหาเพื่อนตู้หน้นหน่อยเนี่ยแล้วแต่เจตนาของเราจะไปนั่งตู้ไหนละอ่ะมันก็ไม่ยากละทีเนี้ยจะขอให้ <c oughs> มั่นใจว่าฉ <c oughs> ันนั่งกรงเทพฉันจะไปเชียงใหม่นะขบวนหัวขบวนไปเชียงใหม่แน่นอนนะไม่ใช่หัวขบวนไปอุบลอย่างนี้นะ <c oughs> มันไม่จะต้องลังเลแล้วทีนี้แล้วคุณจะนอนหลับไปก็ได้แล้วทีนี้ใช่ไหมพอตื่นขึ้นมาคุณก็ถึงเชียงใหม่ดังนั้นเมื่อจับหลักของสงมาธิิฐให้ถูกต้องแล้วเนี่ยสบายในการปฏิบัติแบบนี้ดังนั้นหลวงพ่อเทียนถึงกล้าประกันว่าถ้าคุณทําอย่างนี้ให้ถูกต้องนะไม่เกินสามปีคุณลดทุกได้หรือทุกหมดไปเลยนะอย่างช้าที่สุดอะอย่างเร็วที่สุดแค่หนึ่งวันถึงเก้าสิบวันมีโอกาสที่จะหมดทุกหรือลดทุกได้เกือบหมด แต่ขอให้ทําให้ถูกต้องทีนี้เราจะรู้ไงถูกต้องไม่ถูกก็ไปทดสอบเรื่องสมาธิิดังที่ว่ามาเนี่ยเราทําได้ถูกไหมถ้าไม่ถูกทบทวนอยู่ตรงนั้นน่ะมันจะช้าหน่อยช่างมันแต่ขอให้มันถูกต้องนะเมื่อมันถูกต้องแล้วทีนี้มันจะเดินทางได้ไวแต่ถ้ามันผิดผิดพลาดพลาดหลงหล ง, ล, งลืมๆแล้วมันเดินทางได้ช้าหลงบงั้งถูกบั้งผิดบ้างเอาอยู่อย่างนั้นวนไปวนมาปฏิบัติหปีสีป่ปีไม่ไปไหนนี่คือความลร้ช้าของมันนะ เพราะฉะนั้นในช่วงเช้าวันนี้ก็คิดว่าน่าจะสรุปให้เห็นชัดภาพทั้งสองภาพภาพที่เป็นหลักปริยัติและหลักปฏิบัติหลักปฏิบัติออกมาว่าเบื้องต้นเนี่ยว่าเริ่มต้นไปดูที่รูปนามใช่ไหมสรุปอีกทีหนึงรูปนามเราจะรู้ว่าเป็นรูปเป็นนามไปดูที่เวทนาชัดๆเวทนาที่จะให้เห็นว่ามัน <c oughs> เป็นเราหรือเป็นดูความเพียงความรู้สึก ว่มันเป็นสมมติหรือเป็นธรรมะดูที่ว่าสติของเราชัดหรือไม่ชัดแยกเห็นชัดหรือไม่ชัดในขณะใดมันปนกันอยู่มันก็หลงว่ามันเป็นเราในขณะในที่มันแยกกันชัดเราก็เห็นเป็นรูปเฉยๆเนี่ยเราจะหาว่าเวลาเห็นรูปเป็นเราปั๊บความคิดมันชักมาแล้วใช่ไหมเมื่อไหร่กลับมาอยู่ความรู้สึกเฉยๆปั๊บความคิดก็หายไปรูปก็หายไปเหลือแต่นามเนี่ยมันก็สลับกันอยู่เงี้ยใช่มวันวันหนึ่งเราก็ทํำไปอยู่ตรงนี้ แต่ทีนี้ถ้าหากว่าเรามีความพยายามพิเศษขึ้นไปเราจะเห็นรูปเป็นรูปเห็นนามเป็นนามรนะะยะยาวกว่านี้สักหน่อยหนึ่งจิตมันมีโอกาสได้ว่างมากกว่านี้หน่อยหนึ่งก็ทําความเพียรให้ถูกก็เมื่อความความเพียรถูกก็มีหลักอยู่แล้วเนี่ยใช่หมหนึ่งต้องระวังสิ่งที่เป็นนิวรนเท่าไหราอย่าให้มันเกิดสองเมื่อมันเกิดต้องจัดการทันทีสต้องทําการตื่นตัวตื่นใจให้ชัดเจนไว้เสมอส รักษาระดับการตือตัวนั้นให้เข้มแข็งเอาไว้นี่มันมีเครื่องมือครบเสร็จเลยในะมักมืองแปดแต่เนื่องจากว่าเรายังไม่ค่อยฝึกใช้เครื่องมือใช้เครื่องมือยังไม่เป็นนะก็จึงก็วนไปเวียนมาอยู่ในนี้ก่อนนะ